กับเวทธนาทางหลายก็เป็นอย่างนี message, ้ถึงแม้ว่าเราเจ็บถึงแม้ว่าเราป่วยมาเราก็รู้สึกว่ามันเวทธนามันก็เป็นเวทธนาเนี่จิตมันก็เป็นจิตเป็นคนหลายอย่างกันอยู่เนี่ยรู้จักเจ็บไหมรู้จักรู้จักสบายไหมรู้จักแต่ไม่ไปอยู่ในความสบายแต่ไม่ไปอยู่ในความไม่สบายอยู่ในความสงบสงบยังไงสงบจากความสบายนั้น สงบจากความทุกนั้นอันนี้ชี้ให้เห็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีตัวตนอย่างนี้จะอยู่ยังไงก็ไม่ได้ยังไงไหมเจ้าอยู่อย่างนั้นคื อ, อ, อ <S <S ท่านไม่มีสุขไม่มีทุกแต่รู้สุขไหมรู้ท่านรู้แต่ท่านไม่เป็นสุขท่านไม่เป็น arsh. ทุกท่านรู้ไหมมันทุกข์รู้สุขรู้รู้อยู่แต่ท่านไม่ไปแบกมันเป็นตน้นเวทนานั้นมันก็ไม่เกิดอย่างนี้ถ้าว่าเราอ่ะฟุตตัวชนเรามากกันอตัวแปลก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 เรามีความรู้อยู่อย่างนี้ตลอดต้นจนปลายท่ stewards. านั้นจะเป็นต้น่ะจิตของเราเป็นต้นกับปล่อยวางไม่ใช่วางในความไม่รู้นะวางมันรู้อยู่นะไม่ใช่วางในความโง่นะไม่ใช่วางไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น่ะคือเห็นความเปลียนมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันจิตน right. ี้เป็นต้นน <im itals> ี่เห็นธรรมชาตินี่เห็นธรรมดาเมื่อเรารู้จากเช่นนี้จะเป็นต้นแล้วก็ช้านาญในจิตรู้จากตามรักษาจิตฉลาดในจิตของตนฉลาดในการรักษาจิตตของน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 ถ้าเราเห็นจรเ น, นี่ยก็ไม่ว่าอะไรมันตัง้งฐานที่เป็นอไรก็จังมันเกิดมาเร้วมันจะ แ, แก่เกิดมาแล้วมันจะเป็นอะไรอะไรไปตามเรื่องนะพิจารณามันเนี่ยบางคนก็ไม่อยากแก่แก่นะแก่แลก็น้อยใจนะยังงั้นตัอยาจกกิงวนม่ว ง, งสุกสิฮะจะอยากใหนมุวมวงสุกส ม, มัยนนะ่มันสุไปทางเอาไปบมมาไไม่ใช่เดอะเราจะแก่ก็สมอกตกใจน้อยใจบางคนร้องไห้อยาตัวกลัวมันจะตายกลัวมันจะแก่ยังงั้นก็ม้ว่วงสุต้องไม่ต้องกินแบบน้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 คำอธิบายเรื่องเห็นกายในกายกระจัดแลนะแตเห็นจิตในจิต่เป็นยังไงแน่ก <c oughs> ้อยนี้ <c oughs> เดียวใหญ่ <c oughs> คือให้เหนื <c oughs> ่อยนะไก็ <c oughs> จะพูดเนาะให้พูดไม่ให้เหนื่อยไปได้มันตัเวเหนื่อยตักจะพูดน่าระจักษ์นะถามว่าเนอะไรติด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 มีความยึดมั่นหรือหมายมั่นผิดถูกอะไรต่างๆมีอยนะู่ในนั้นใม่ใช่เนี่ยคือคือมือมันมันมากรรบ ม, มาพับเนี่ยไม่รุ้กรรมอะไรมานะ่ะคนี่นะมันมาวางคือมันมีอะไรในกํา ม, มือเรานอันนี้คือของในกรรมมือใช่ไหมจิตนี่ก็เหมือนการฉันนั่นนะแต่เราพูดกรรสศัพท์ธรรมชาติธรรมดาเราก็ได้วความพูดที่นอกเอาอารมณ์มาอเอาอารมณ์ม า, อาเอาอารมณ์มาไว้ในจิตของเรานะ เมือเอามาเลยเป็นอารมณ์ที่มันตา่า ง, งกันในจิตมันมีอะไรบ้างไหมนั่นมันมนนีความเห็นถูกต้องไหมมีความเห็นชอบไหมอะไรไหมมันดูเท่าต่อสุขต่อทุกข์อะไรไหมตรงนั้นแค่รู้จักนะนันจะเป็นทางเ น, น้นมันมีใจทางมาดูอยู่ในตรงนั้นนะอ่ะออตรงนั้นมันอมอยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นของปู่เจ้าเหตุสันนิษฐานก็เข้าใจครับเออเข้าใจเอาเท่านี้พอๆๆมั้งนั่นแล้วไปคิดต่อเลไปต่อเอาเถอะค่ะไปลองไปลองนั่งปฏิบัติคือคือมันมัน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 คือมันแจ้งไม่ได้อที่รูปไอ้คนตาบอดดูนะมันแจ้งไม่ได้เนาะ <c oughs> ถ้ามันจะแจ้งคนจะเป็นรักษาตายมันตาดีซะก่อนมันถึงจะแจ้งได้อมันจะเป็นในธรรมนอง น, นี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าอยากจะให้รูปใจเห็นเยอกเกินเลยแต่ว่ามันเป็นธรรมเป็นปัจจจตังท่านช่วยได้ <c oughs> แค่นี้อโ <c oughs> ท่านบอกอักาตทาโรตถาคตาตถากตเป็นเตดูุบอกท่านบอกสัญญ์สัาญ์ก็นากลัวก็เป็นอย่างนั้น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 ก็ได้ยินเต่เขาว่ามันหวานเราก็เอามือเรากามผลละไม้ๆเท่านั้นเนี่ยังไม่เกิดประโยชน์ยางเต็มที่นี่ทําไมเพราะเรายังไม่ไดปฏิบัติคือเรายังไม่ได้ทานผลไม้อันนั้นให้มันรู้รสชาติของมันเท่าไรจะทานผลไม้อันนั้น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 บุรุษที่บรรลุถึงความเปรี้ยวหวานของผล น, นัานปัญหานั้นมาสตรงไปอย่างนี้มีลักเรียบเทียบอยู่อย่างนี้ฟังธรรมที่จะให้เกิดความรู้จะเพาะตนเองนั้นโดยมากเมื่อจะบรรยายไปมากันประมาณท่านก็ให้รู้เพียงสี่ประการนั้นเนี่ยคือให้รู้จักทุกรู้จักอิทธิอิของทุก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 แต่พุกมันกลักเราท่านั้นมันเป็นแาบอย่างนี้มิท่านท่านจึงให้เห็นว่าให้พิจนาของเน่ก า, ายนี่พิจนาตายไปนในกายอะไรในกายนั่นจะค้นข้วาหามีเนี่ยไปในกายนี่ไม่กว่าเอของในกายแล้วนี่มันเนี่ยบ้างที่เราเห็นกายภายนอกนั่นเป็นส่วนไม่ชดัดเจน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 ส่งมนุษยเราทั้งหลายมองดูแล้วเป็นตวนสาละพัดยางนั้นแหะแปลกใจแต่เราพ่นกันไปเราแปลกใจทั้งนั้นนะ่ของในตัวของเราไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเราอุ้มมันไปเดินก็อุ้มมันไปนั่งรถก็อุ้มมันขึ้นรถไปทั้งนั้นแต่ตาแต่เรายังไม่รู้มันว่ามนเป็นอะไรอืมนะเพราะวาเวลาเราถูกของฝากครับเช่นวเวลาไปบ้านญาติจะเอาข้าหออะไรให้เราไปจับเป็นตะกร้าไปเลย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 จิต ก, ก็คือผู้รู้เวทนานั่นก็คืออาการที่มันเป็นสุขหรือทุกข์ที่ชอบใจไม่ชอบใจนั่นเองเป็นต้น <c oughs> เมื่อจิตเราเข้าไปเสำรวยในอารมณ์มันนั้นเรียกว่าจิตของเราเข้าไปยึดหรือหมายมั่นหรือสำคัญมั่นหมายในความสุขนั้นในความทุกข์อันนั้นนั่นเองไอ้ที่เร า, เาไปหมายมั่นมันก็คือเรื่องจิต